ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องสุขจอมปลอมแต่ทุกแท้โดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ มันมีความสุขได้มีความสุขได้ยังไงได้โดยที่ได้ทำอะไรสมใจได้ทำอะไรถูกใจตัวเองทำอะไรได้ตามใจชอบของเรานะเป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเราต้องการอะไรที่เราเกลียดอ ะ, อะไรที่เราเกลียดเนี่ยก็ไม่ต้องได้มาอะไรที่เราชอบก็ได้มาอย่างเงี้ยเราก็เราเป็นสุขคือสุขตอนเนี้ย ของคนทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ใช่การพ้นทุกข์แต่มันเป็นการที่เอ่อเอาความถูกใจเอาความยินดีเอาความพอใจที่เราได้รับเนี่ยนะเอามากบความทุกข์ที่มีอยู่ทุกมันไม่ได้ดับทุกไม่ได้ดับไปจริงทุกหรือว่าไม่ได้อยู่พ้นทุกข์จริงแต่เป็นการที่เราเอา ความดีความพอใจจากสิ่งอื่นจากเรื่องอื่นเนี่ยมากรบไอความทุกข์ที่เรามีอยู่โดยที่ไม่ไม่ได้ทำลายความทุกข์นั้นลงไปดัด้นที่ความเป็นจริงเนี่ยถ้าโดยสัจจะคนที่จะมีความสุขแท้ๆเนี่ยหรือว่าอุปสมโมความสุขที่บรมมาสุขที่เราใช้คำว่าบรมมาสุขถ้าเป็นสุขแท้ๆอย่างนั้นน่ะต้องหมายถึงการที่เราทา ความทุกข์นั้นนะ่ะให้หมดลงไปได้นะ่ะหรือเราเรียกว่าอยู่เหนือโลกหรือว่าอยู่เหนือความทุกข์นั้นได้แต่ตอนนี้นี่ไงล่ะนะอย่างที่บอกมาว่าทุกวันนี้มันไม่ใช่ละความสุขที่เขาพูดนี่มันมันไม่ใช่ตัวที่ไปพ้นทุกข์จริงๆเพราะว่าทุกข์นะ่ะใครๆก็เห็นโดยสามัญธรรมดาทั่วไปนะอย่างเช่น ไม่ได้ของที่รักหรือพัดพลาดจากของที่รักเป็นทุกข์อันนี้เห็นได้ง่ายแต่คราวนี้ได้สิ่งที่เรารักนะเราได้เสพเราได้สมใจอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นสุขแต่นั่นที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นตัวต้นเหตุของทุกข์มันเป็นตัวต้นเหตุของทุกข์กเลยที่จะทำให้เราต้องทุกข์ก็เพราะเราเนี่ยยังติดอยู่กับการที่ว่า ต้องได้สมใจต้องได้สมใจต้องได้สมใจไอตัวนี้มันเป็นตัวต้นเหตุแต่คนไม่เข้าใจตรงนี้คนกลับคิดว่าต้องได้อย่างนี้มาสิแล้ววันถึงจะมาดับทุกที่เขามีอยู่ได้ใช่ไหมแล้วเขารู้สึกว่าถ้าเขาได้สมใจเขาเนี่ยสะใจเขา ย, ยินดีพอใจแล้วเขาถือว่านั่นแหละเขาก็พ้นทุกข์มาได้หรือเขาหมดทุกข์ได้ ทั้งที่ไม่ใช่มันแค่เอามากรบเออเอามากรบเกลีน่นหรือว่ากรบทุกเอาไว้เท่านั้นเองถ้ายกตัวอย่างเนี่ยเราก็คงจะเห็นได้บางคนเนี่ยมีบ้านถ้าได้มีบ้านอย่างที่ตัวเองชอบนะเอาบ้านอย่างนี้สไตล์แบบนี้โอ้โหกว้างใหญ่ขนาดนี้นะทั้งที่ดินทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้โหถ้าได้มาเนี่ยเราก็ว่าเรามีความสุขถูกไหมอ่า โดยที่เขาเองเนี่ยเขาไม่รู้ว่าไอตอนนี้แค่เขาปรารถนาเนี่ยแค่เขาอยากได้บางอย่างีจริงๆรมันก็ทุกกันนะเริ่มที่จะรู้สึกว่าโอ้โหจะต้องอะไรอะ่ะคิดยังไงบ้างอะ่ะจะต้องลงมือทำยังไงบ้างกว่าที่จะได้ไอพวกนี้มาเนี่ยโอ้โหมันยากนะมันลำบากนะบางทีต้องไปแข่งกับคนอื่นเขา บางทีก็ต้องไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขายิ่งใครที่ไม่คํานึงถึงอะไรเลยนะถ้าจะไปกอบโกยไปคดโกงไปเบียดเบียนใครมาได้เพื่อที่จะให้ได้บ้านอย่างยี่มาเนี่ยก็ทําล่ะไม่เพียงแต่ตัวเองมองไม่ไม่เห็นทุกนี้ของตัวเองนะยังจะไปทําให้คนอื่นชาวบ้านชาวช่องเขาทุกไปอีกด้วยซึ่งอย่างเนี้ยพอคนนี้มองไม่เห็นอันนี้ใช่ไหมแล้วเขาคิดอยู่แต่ว่าต้องได้สมใจเขา แล้วเขาถึงจะเป็นสุขเพราะฉะนั้นคนโ ล, โลกส่วนใหญ่ทุกวันเนี้นะก็เลยกลายเป็นทําอะไรตามใจชอบของเราที่ที่เราสมปรารถนาเราเท่านั้นแหละแล้วเขาถือว่าอันนั้นนะคือความสุขแต่โดยสัจจะโดยความเป็นจริงมันไม่ใช่ไงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยคนร่ํารวยเท่านั้น ที่จะมีความสุขได้คนที่มีบ้านมีอะไรต่ออะไรนะที่มันสมใจได้อะคนนั้นท่าน่งจะเป็นคนที่มีความสุขส่วนคนที่ไม่มีอะไรนะดูแลโอ้โหไอ้ดูนก็ไม่มีไอ้ดีก็ไม่มีจะไม่มีวันมีความสุขได้เลยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ความจริงไงถึงบอกว่าถ้าเป็นความจริงแล้วเนี่ยแม้คนไม่ต้องไปมีบ้านช่องหลังหลังใหญ่ๆโตๆไม่ต้องมีรถเก๋งไม่ต้องมีเครื่องบำบลุงมบำเลอ ความสะดวกสบายอะไรให้มันเสพสุขสมใจอะไรเขาก็ยังมีความสุขได้เลยเขาพอมีพอกินเขามีเล็กๆน้อยกินก็น้อยใช้อะไรก็น้อยเขาก็มีความสุขในชีวิตก็ได้เรจะได้เห็นเลยว่าไอ้สิ่งต่างๆที่ไปหลงอันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของโลกที่มันหลอกเราเอาไว้แล้วเราก็ไปติดแล้วเราก็เรียกสิ่งนั้นว่าเป็นสุขก็เลยกลายเป็นติดสุข เมื่อติดสุขอย่างนี้ไม่มีวันพน้นทุกข์เพรายิ่งติดสุขอย่างนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องสแสวงหาสิ่งเหล่านี้มากเท่า น, นั้นมากเท่า น, นั้นมากเท่า น, นั้นเพราะเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือความสุขเห็นไหมแล้วมันจะพน้นทุกข์ได้ไงอ่ะเพราะยิ่งนานวันเขาก็ยิ่งต้องโอ้โหหนักเหนื่อยมากขึ้นยิ่งบางทีต้องเอารัตเตเปียบมากขึ้นถ้าใครไม่ไม่สุจริตถ้าใครทุทจริตก็จะยิ่งต้องสแสวงหาแบบเนี้มากขึ้นเรื่อยๆ แล้วในสังคมดูเอาสิว่าเป็นอย่างงี้อส่วนใหญ่เกือบทั้งนั้นเลยเพราะเขาเขาหลงผิดไปแล้วเนี่ยว่าอย่างนั้นคือความสุขเมื่อหลงผิดอย่างนี้เขาก็ต้องแสวงหาอย่างนี้ให้มากขึ้นถ้าเป็นคนระดับกลางซึ่งทํางานมีเงินเดือนนะถ้าเราเราก็มีค่านิยมตามอย่างนี้ไปเราก็คิดแล้วอุ้ยเราต้องทํางานให้เงินเดือนขึ้นเยอะ อ่านะหรือมียศมีฐานะมีอะไรยิ่งขึ้นเรายิ่งจะได้สิ่งเหล่านี้มากขึ้นลนะาบยศเสรเสริญอย่างเงี้ยเรายิ่งได้มาจะยิ่งทําให้เราสุขเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้คนก็ยิ่งต้องสแสวงหาพวกเราเหล่านี้ยมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งโปะเข้าไปโปะเข้าไปโปะเข้าไปโปะทุกที่จริงนะนะเปะทุกวันพอกไปเรื่อยพ่อคราวนี้ยิ่งปรารถนาสิ่งเหล่านี้มากเท่าไหร่อ่ะ ความต้องการยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งสูงเท่าไหร่คุณยิ่งต้องหนักเหนื่อยที่ต้องเอามาให้ได้จะวิธีไหนก็ได้เห็นไหมเพราะคนที่ทุจริตหรือคนที่ขี้โกงไปเบียดเบียนคนอื่นได้มากเนี่ยก็คือคนที่ใครมีความรู้สึกประปรารถนาสุขแบบเนี้ยมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นคนขี้โลภขี้โกงคนอื่นเขาเบียดเบียนสังคมแล้วก็ทําร้ายคนอื่นมากยิ่งขึ้นเท่านั้น จนกระทั่งมาทีไปจี้ไปป้นไปทําร้ายคนอื่นเขาก็ได้เพราะว่าตัวเองต้องการสุขอันนี้แต่คราวนี้ถ้าคนนั้นไม่ได้ไปติดสุขแบบนี้เนี่รู้สัจจากของชีวิตว่าจริงๆแล้วอย่างนั้นมันยิ่งหนักเหนื่อยมันเป็นต้นเหตุที่จะพาให้เราทุกข์หนักกว่าเดิมเมื่อคนนี้เข้าใจอย่างนี้ไม่จําเป็นเนี่ยจะต้องกินอะไรต่ออะไรมากๆจะต้องกินหรูหราจะต้องกินราคาแพงอะไรเขาไม่จําเป็นเนี่ย เขากินที่ของถูกๆ ก, ก็จะหาง่ายๆก็ได้เออแล้วก็มีประโยชน์มีคุณค่าเขาก็กินได้แล้วแล้วเขาก็มีความสุขแล้วเขายินดีพอใจแค่นี้เขาก็สบายได้แหละเพราะฉะความปรารถนาสุขแบบโลกๆนี่เขาลดลงเขาเข้าใจสัจจะของชีวิตเข้าใจความจริงของชีวิตนี่มากขึ้นเพราะ ค, าคนที่ยิ่งอย่างเงี้ยพูดง่ายว่าต่อให้ยังมีกิเลสอยู่นะ แต่เขาเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเขาก็ลดไอ้ความใคร่อยากความปรารถนานั้นเนี่ยลงมาลงมาลงมาทุกข์เขาก็น้อยลงคราวนี้แม้ไปทํางานนะได้งานที่ยศก็ไม่ได้สูงอะไรตําแหน่งก็ไม่ได้ใหญ่โตเงินทองเงินเดือนก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่เขามีชีวิตที่มีความสุขเพราะเขาไม่ต้องไป พงเฟ้อเรื่องอะไรแล้วรายได้ที่เขาได้มาแค่นี้เขาก็มีกินมีอยู่สบายแล้วนี่ยังไม่มาเปรียบถึงพวกเราในปัจจุบันนี้นะอะในที่มาปฏิบัติธรรมนี้เพราะยิ่งถ้ามาปฏิบัติธรรมนี่โอ้เรายิ่งเข้าใจมากขึ้นแล้วเราเห็นของจริงเลยจากที่พวกเราปฏิบัติกันอยู่เจอกระทั่งบางคนเนี่ยเคยมีเงินดาวงงน์นเดือนใช่ไหมโอ้โหเลิกด้วยซ้ำไปบางคนไม่ได้ ทั่วบางคนก็แบบลดเงินเดือนตัวเองก่อนเสร็จแล้วตาหลังก็ลดลงลดลงจนกระทั่งตาหลังตัดสินใจไม่ต้องมีเงินเดือนเลยเนี่ยขราวว่าเราเยอะแยะเลยจํานวนมากเลยที่แบบว่าไม่ต้องมีเงินเดือนเลยทํางานเป็นปกติไหมทํางานไปปกติขยันอยู่ไม่ได้ขี้เกียจเลยเพอๆบางงานยังทําหนักกว่าไอ้ที่แต่ก่อนกินเงินเดือนทุกด้วยเพราะแต่ก่อนกินเงินเดือนเนี่ยทําให้คุ้มค่างเงินเดือนเขาหรอกนะ ไฟสายมัง่งเบี้ยวมังม่งอู้มั่งอย่างเนี้พอมาปฏิบัติทำโอ้โหไม่ได้เงินเดือนอะไรเลยทําเต็มที่ด้วยบางทีตั้งแต่เช้ายันดึกเลยจะให้เห็นเลยเห็นไหมนเนี่ยความแตกต่างแล้วก็ชัดเจนแล้วมีชีวิตอยู่ได้ไหมอยู่ได้แล้วถามเลยว่ามีความสุขไหมมีความสุขมันอยู่จนกระทั่งอยู่กันเป็นสิบปียี่สิปีสาสิปีเนี่ยอยู่กันมามันเป็นเคพื่อนที่ยืนยันจากของจริงเลย จากสัจจะจริงๆเลยว่าอยู่ได้จริงๆแล้ก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยแล้วดูสิอย่างนี้เห็นไหมเพราะพคนที่เข้าถึงสัจจะของชีวิตจริงๆอย่างนี้ได้นะเขาก็ไม่เป็นหลงความสุขอย่างนั้นเขาคิดอยู่แต่มุมที่เรียกว่าชีวิตนี้มันเป็นทุกข์ทํำยังไงต่างหากอ่ะที่จะลดต้นเหตุของความทุกข์เราจะได้ทุกข์น้อยลงลดต้นเหตุของทุกข์อะไรที่เป็นต้นเหตุของทุกข์บ้าง ะจะโลภโกรธหลงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นต้นเหตุอย่างที่บอกไปติดสุขเป็นต้นเหตุเพราะคุณไปติดสุขเรื่องอะไรคุณรู้แล้วโอ้โหไอ้ น, นี่มันต้นเหตุที่ทําให้เราเนี่ยทุกอยู่ทุกวันนี้ไม่หายทุกสักทีเพราะไอ้ต้นเหตุตัวนี้นี่เองพอเข้าใจอย่างนี้ได้คนนี้เอาคุณติดเรื่องอะไรคุณก็อ่าไอ้ต้นเหตุตัวนี้เราก็ลดลงลดลงลดลงลดล ง, ลดลง วัดเห็นไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถึงสอนพุทธศาสนิกชนให้มารดละแม้แต่เรื่องของปัจจัยสี่ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตปัจจัยสีนี่ไม่มีเงินอยู่เลยนะในปัจจัยสี่อาใช่ปะปัจจัยสี่นี่มีเงินหรือปะอันนั้นมันปัจจัยห้าใช่ไหมที่เขาพูดกันอยู่อะใช่ไหมเขาบอกปัจจัยที่ห้าคือเงินไงวัดจริงๆแลปัจจัยสี่เนี่ย สำคัญยิ่งกว่าอีกเอาละแต่ทุกวันนี้คือเขาจำน้นแล้วเนี่ยคือพวกที่ที่เห็นเงินเนี่ยเป็นพระเจ้าหรือเป็นความสุขเขาจำ น, น้นเมื่อเขาจำนนตรงนี้เขาก็เลยต้องบอกว่าเงินเป็นปัจจัยที่ห้าเขาก็ต้องเอาเข้าไปเพราะกลายเป็นจริงๆแล้วเนี่ยมีปัจจัยที่ห้าปัจจัยเดียวก็พอแล้วเพราะเขาถือว่าถ้าได้ปัจจัยนี้อีกสี่ได้แน่เพราะว่าเขาเขาก็ไปเข้าใจอย่างอ ย, อย่างบอกแล้วไง ว่าเงินเป็นพระเจ้าพระเจ้าสามารถบรรดาทุกอย่างได้เพราะเอาปัจจัยที่หปัจจัยเดียวก็พอแล้วอีกสปัจจัยตามมาแน่นอนถ้ามีเงินก็พราะไปเข้าใจผิดอย่างนี้แล้วก็ไปหลงอยู่อย่างนี้แหละคนก็เลยยิ่งสแสงหาทรัพย์สินเงินทองพวกนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยทั้งที่ความเป็นจริงไม่จําเป็นเงินนี่มันเกิดมาทีหลังนั่งเงินไม่ได้เกิดมาก่อน คนเหนียวโหวมีอายุมาตั้งเท่าไหรเท่าไหรเท่าไรเท่าไรอยู่กินเงินมานะโดยไม่ต้องใช้เงินกันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่ไม่รู้ละกี่หมื่นปีก็ไม่รู้จนกระทั่งต่อหลังมันถึงมาเกิดระบบการเงิน เ, เกิดระบบแลกเปลี่ยนก่อนแล้วก็ถึงมาเกิดระบบการเงินขึ้นมาอันยุคแรกๆ ก, ก็แลกเปลี่ยนกันโดยอาศัยปัจจัยสีเนี่ยแลกเปลี่ยนกันไม่ต้องใช้เงิน และตอนนี้ดูนะในปัจใจสี่ถ้าเรารู้แล้วใช่ไหมว่าโอ้โหต้นเหตุของทุก์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นคือเราปรารถนาเราต้องการเราโลภกับแม้ปัจใจสี่ก็ตามนี่ขนาดไม่เอาอย่างอื่นแล้วนันี่น เ, นเอาแค่ปัจใจสี่ยิ่งไอ้ที่เหนือปัจใจสี่ไปเนี่ยที่ทุกวันเนี่ยฟุงฟฟ้งเฟือฟุ่มเฟือยไม่ได้มีความจําเป็นของชีวิตอะไรเลยเนี่ย เสียงกันเสียทองกับสิ่งที่ไม่มีความจําเป็นอะไรเพราะฉะนั้นดูนะอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่นี่ตัดออกไปเลยเอาเหลือแค่ปัจจัยสี่เท่านั้นยิ่งคราวนี้เนี่ยถ้าคนที่เข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราจะกินเราจะใช้อะไรเนี่ยก็เหลือแต่สิ่งที่จําเป็นเท่านั้นนะเอาแล้วมันอาจจะมากกว่าสี่ก็ได้เพราะในสีเนี่ยมันมีแตกรายละเอียดไปอีกแต่โดยหลักใหญ่ใหญ่เนี่ยมันแค่สี่แต่ตอนนี้พอเรารู้เข้าใจอย่างนี้เรารู้ว่า ถ้าเรายิ่งโลภเรายิ่งปรารถนาแม้ปัจจัยสี่นี้มากมันก็ยิ่งเป็นต้นเหตุเหมือนกันที่ทําให้เราทุกข์อีกมากมายเพราะชีวิตคนจริงๆเนี่ยทุกข์จริงๆเนี่ยมันเหลือแค่ทุกข์เพราะสังขารร่างกายที่ต้องการปัจจัย4ี่นี้เท่านั้นเองถ้าถ้ า, ถ, าถ้าไม่เราไม่ไปฟุ้งเฟอ้อเหอะมาอะไรอย่างอื่นแล้วนะจริงๆมันแค่เป็นทุกข์แบบธรรมชาติ เมื่อมีชีวิตเกิดมาในโลกนี้ต้องจเจริญเติบโตต้องกินต้องใช้สิ่งของข้าวของอะไรต่างๆใช่ไหมแต่มันจะใช้ตามที่เราจําเป็นจะต้องใช้คําว่าจําเป็นจะต้องใช้ไม่ได้หมายความว่ า, วาโอ้โหขี้เหนียวไม่ใช่นะมันใช้ได้สบายๆเนี่ยแหละพอดีพอดีกับชีวิตเนี่ยออย่างเช่นสมมติ ว, ว่าเสื้อผ้า อ่าสมมุติตัวเสื้อผ้านะปัจจัยเรื่องเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยเราลองไปส ำ, สำรวจดูสิว่าทุกวันเนี้ยจริงๆถ้าเราใช้ตามจําเป็นอาจต้องทํางานนะอาจต้องใช้จริงจๆรๆิงจำเป็นใช้สักกี่ตัวที่ต้องทํางานเอาจําเป็นนะไม่ใช่เอาตามชอบถ้าเอาตามใจชอบไม่จบเพราะอันนั้นบอกแล้วตัวชอบนะเป็นตัวที่เราบอกว่าเป็นความสุขใช่ไหม เมื่อชอบอย่างนั้นมันยิ่งชอบมากเพรยิ่งหูก็ยิ่งต้องใช้เยอะมากเลยแต่จริงๆแล้วนทุกเราก็ยิ่งต้องแสวงหา ม, มากเดี๋ยวก็ต้องไปร้านตัดเสื้อผ้าเดี๋ยวก็ต้องไปดูห้างเดี๋ยวก็ต้องไปเดินนะมาใหม่แล้วหรื อ, อยังเนี่ยจริงๆมันทุกข์ก็ง่ามันเสียเวลาแล้วก็เปลืองอะไรต่างๆแต่พอเราเข้าใจเห็นมาเราก็ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็จะตัดรอบลงมาสึว่าเอา เสื้อที่เราต้องเสื้อผ้าที่ต้องใช้ทาํางานจริงเอา้าวสองสามชุดพอแล้วนี่โอ้โหมีเปลี่ยนมีอะไรได้สบายล้วอ่า น, นี่สมมตินะอ่าอยู่บ้านอีกเอา้าทํางานทําการเอา้าใช้เสื้อท้าก็ไรอยู่บ้านอา้อาวอ้าวอ้าวสองชุดเอา้านี่มันก็เกินแล้วนาะทีจริงอา้าวแล้วตอนนี้ไปไหนอีกเผื่อออกงานบ้ง ไปเที่ยวเตบ้างอะไรบ้างมีสักกี่ชุดจ้ะฮะไอ้ที่มันไม่พอทุกวันเนี่ยเพราะว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวใส่ซ้าแล้วมันอายเขามันเลยมีเต็มตู้เนี่ยทุกวันเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยใช่ไหมโถอเอ้ยปัญหานี้แก้ง่ายมากเลยถ้าเสื้อทุกตัวคุณคุณตัดให้มันสีเหมือนกันแล้วก็ตัดแบบให้มันเดียวกันนะ ใส่ได้หมดจะนอนก็ใส่ได้จะไปทํางานก็ใส่ได้ไปเที่ยวก็ใส่ได้นี่จบเลยเ อ, อ, อัตมาเคยคิดจริงๆอัตมาเองเคยคิดอย่างนั้นนะว่าเออจะตัดเสื้อยังไงจะออกแบบยังไงที่ให้มันใส่ไปได้ทุกทุกสถานเคยนึกแก็เคยพยายามตัดนะลองตัดด้วยลองมาใส่ด้วยดแต่มันยากอยู่เหมือนกันนี่ยเพราะไม่ใช่ยากเพราะเรานะแต่มันยากเพราะคนอื่นเพราะเอค่านิยมของสังคม ที่มันทําให้เราเนี่ยออกแบบยากเพราะาเราออกแบบไปอย่างนี้แต่ว่าเขาบางทีเขาไม่ยอมรับไงเขาก็ว่าเชยเขาก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้มาเคยจริงๆเคยอย่างสมมุติตัดเสื้อไหนๆก็พูดแล้วนะคือว่า ต, ตัดเสื้อเนี่ยคิดนะว่าเออจะให้มันดูเป็นไทยๆหน่อยก็ก็ทําแบบคอไทยอ่ะคอจีนน่ะนั่นแหละ นะก็ตัดเสื้อแต่ก่อนนั้นก็ซื้อเสื้อเชิ้ตเหมือนของพวกฝรัง่งของผู้ตะวันตกใส่แต่ถ้าหลังเนี่ยจะหม้อห้อมเลยเรารู้สึกไอ้หม้อห้อมเลยเนี่มันใส่อยู่บ้านเราก็ได้นะใส่ไปเดินเล่นอะไรก็ได้แต่ว่าใส่ไปทํางานเอมันชักยากเลยนะหรือว่าไปออกงานอะไรชักลําบากนะถ้าหลังก็เลย คิดเออจะอย่างนั้นอย่างนี้เออเหมือนนึกออกอย่างคุณจําลองเห็นไหมสังเกตไมอมคุณจําลองเนี่ยเห็นไหมไม่รู้คุณจําลองคิดเองหรือว่าเขาตัดให้ไม่รู้นะเสื้อแบบคอไทยอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนชุดสมัยก่อนชุดราชบนะัตรแดนสมัยก่อนเขาเรียกอย่างนั้นนะอะไรนะเทรงพระราชทานอย่างนั้นนะแต่ยังอาตมาเองอาตมาคิดแบบแบบแบบชาวบ้านเนี่ย คิดแบบธรรมดาแล้วก็ไปตัดด้วยหลังก็ไปออกแบบตัดนะแต่ตัดเป็นเสื้อตอนแรกเลยเนี่ยตัดเป็นเสื้อไม่มีคอตัดเป็นเสื้อไม่มีคอเพราะว่าคิดว่าเอของไทยเรามันไม่มีมันไม่มีปกอะจริงๆแล้วของไทยไม่มีปกเสื้อของคนไทยส่วนใหญ่สังเกตไหมละ่ะลองไปดูสิจะเป็นเสื้อไม่มีปกก็เลยตอนแรกที่ตัดเนี่ยใสตัดเสื้อไม่มีปก ไม่มีคอนะไม่มีคอปกเสื้อเนี่ยแล้วก็แขนนี่แทนที่จะต้องไปทําแบบเสื้อเชิ้ตเขาอะที่แบบฝรั่งเขานะแล้วก็มีกระดุมมีอะไรบอกโอ้เราไม่เอาอะ่ะเราทําแบบแขนเสื้อไทยอะคือแขนกระบอกเนี่ยทำแบบแขนกระบอกแล้วก็ตัดแบบสามส่วนทําแบบไทยๆอ อ, ออกแบบแต่ว่าเสื้อข้างล่างเสื้อข้างล่างมาเนี่ยแล้วก็ทําชนิด เขาจะเรียกว่ายังไงที่ที่ใส่แล้วเหมือนเหมือนที่เขาใส่เขาเรียกเสื้อเสื้ออะไรอ่ะที่มันที่เหมือนเหมือนกับใส่เป็นเสื้อยืดอนะนะเหมือนเหมือนกับใส่เสื้อยืดแล้วก็มันจะมีผ่าข้างหน่อยเขาเรียกอะไรนะไม่รู้แล้วนะอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าลักษณะเราเป็นใส่นะใส่แบบเสื้อแล้วก็ให้มันให้ให้ให้ข้างล่างเนี่ยมันมันสามารถที่จะไม่ต้องเสียบก็ได้ ไม่ต้องเสียบเสื้อเราก็สามารถใส่ได้ก็ใส่นอนได้ใส่ไปไหนก็ไปได้อก็เออเหมือนเหมือนที่เสื้อแขกเขายาวๆนะแต่เราไม่เอายาวเพราะมันยาวเกินไปมันก็เป็นแบบคนอินเดียเขาเราก็เอาเอาสั้นขึ้นมาเป็นแบบไทยๆนั่นแหละออกแบบตาแล้วก็ใส่คราวนี้ก็ใส่มันดะไปเลยแหละบางทีก็ใส่นอนม้างใส่ไปทํางานบัน่ง ใส่ไปไหนมาไหนมั่งก็ใส่เลยก็บอกแล้วถ้าเราเองเนี่ยเราเข้าใจแล้วเราเราทนได้ต่อสายตาคนอื่นเนี่ยนะบางทีเขามองเอ้นี่มันแต่งชุดอะไรมานะอย่างเช่นบางทีอา้าวเพื่อนฝูงเขามีเลี้ยงหรือว่าเข้าไปงานอย่างเงี้ยเราก็ใส่อย่างนี้ของเราไปอะ่ะเพื่อนอะมันไม่ถือดสาเราหรอกใช่ไหมแต่ว่าบางทีเออคนอื่นอาจจะพูดชุดอะไรชุด แปลกๆ แ, แ, แต่ว่าเราเองเนี่ยเราเข้าใจวัตถุประสงค์อันนี้พเพราะก็ใส่แล้วเราก็ไม่ไม่ไปห่วงกังวลว่าเขาจะพูดยังไงใช่ไหมเราไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนอะไรให้ใครอย่างเงี้ยโอสบายเลยตอนหลังนี่เลิกเลยไม่ต้องไปตัดไอ้แบบอย่างนั้นแบบอย่างนี้ไม่อย่างนั้นถ้าไปแต่เดิมเนี่ยที่ยังไม่คิดจะปฏิบัติทำแจะเดิมเนี่ยตัดแบบเสื้อฝรั่งเขาแล้วก็มีปก มีกระดุมเชิ์ตใช่ไหมข้างหลังก็ต้องมีสาบสาบข้างหลังะน ะ, ะต้องมีจีบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรตอนไหนโอ้ยุ่งไปหมดอ่ะจีบข้างหลังไม่พองจีบข้างหน้าอีกนะแต่ต่หลังไม่เอาเลยตัดออกหมดเลยซึ่งอันนี้พอเราเข้าใจงี้ได้ตาหลังเสื้อผ้าเราก็ง่ายนะแล้วยิ่งบอกแล้วยิ่งถ้าตัดไม่ไปห่วงอะไรมากเ น, นะแหมไม่ต้อง ตัวนึงสีหนึ่งอีกตัวนึงอีกสีหนึ่งอะไรต่ออะไรนะถ้ากูไม่อ่วงมากนะเป็นสีแบบแบบเดียวๆกันก็ได้เหมือนๆก็ได้ให้คนอื่นเขาดูแล้วหมดปัญญาว่าเราเลยเพราะว่าเราใส่สีหนึ่งสีหนึ่งเขารู้ว่ามีกี่ตัวใช่ไหมถ้าเราใส่สีหนึ่งสีหนึ่งอ่ะอ้าวเขาก็รู้สิว่านี่มันมีกี่ตัวเนี่ยมีกี่สีก็รู้แล้วว่ามีกี่ตัวแต่คราวนี้เราตัดสีเดียวเนี่ยจบเลยอ่อันนี้มันอยู่อยู่ที่ ความฉลาดของเราแล้วก็อยู่ที่เรากล้าไหมถึงบอกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะกลัวต่อขี้ปากชาวบ้านพูดง่ายกลัวเขาจะติอย่างนั้นกลัวเขาจะว่าอย่างงี้ในที่สุดเราก็ก็อายกลายเป็นอายไปเท่าเลย ท, ท, ทั้งที่ที่จริงแล้วเนี่ยเราสิ่งทำสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่จะไปเสียหายใครเขาเพราะอันเนี้ยถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ได้แล้วเราทําให้ตัวเองเนี่ยมักน้อยลงมาได้ ใช่มในสิ่งแม้ปัจจัยสี่เนี่ยยกตัวอย่างเรื่องเสื้อผ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยเราลดลงมาได้คุณสบายก่อนละคุณเริ่มพ้นทุกข์ละไม่งั้นแต่ก่อนเนี่ยขนาดอาตมาเองเนี่ยโอ้โหเสื้อผ้ายัางเยอะเลยนะเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าบางทีรองเท้าก็ต้องหลายคู่โอ้โหต้องไปจ้างตัดนะเสื้อก็จ้างตัดเพราะฉะนั้นตอนหลังเลิกเลย พอเริ่มปฏิบัติธรรมมันเข้าใจแล้วเนี่ยโอ้เราลดคือแล้วพอเรามาสนใจธรรมะเราเริ่มเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตแล้วเรารู้จักเอาไปคิดพิจารณาก็เลยทาให้เริ่มเข้าใจว่าโอ้ไอ้ต้นเหตุที่เราทุกทุกทุกบางวันบางเดือนเนี่ยเงินทำไมใช้ไม่พอบางทีแค่เรื่องเสือนะอเาาเส้อผ้านะรองเท้าบ้างเสื้อผ้าบางเข็มขัดบ้างอะไรโอ้โหศูนย์ไปเดือนนี้ ติดลบแล้วเดือยนี้แค่แค่นี้ใน้ได้ปัจจัยสี่นะบอกแล้วนะยังไม่ไปพูดเรื่องอื่นเลยด้วยซ้ำบางที่แค่เรื่องเสื้อผ้าเนี่ยบางคนเงินไม่พอใช้แล้วทั้งทั้งที่มันไม่จําเป็นเลยเห็นมไหมล่ะพอเราตัดพวกนี้ได้ทุกที่จะเกิดจากเรื่องเสื้อผ้าคุณเริ่มลดลงเงินจะเหลือด้วยซ้ํำไปใครที่เงินเดือนไม่พอจะเริ่มเงินเดือนเหลือเห็นมไหมครั้งนี้ยเราเริ่มพ้นทุกจากเรื่องเสื้อผ้า แต่ถ้าใครเนี่ยคิดว่าตัวเองมีความสุขว่าโอ้ยิ่งมีเสื้อสวยๆใส่ยิ่งมีความสุขแม้ใส่แล้วคนนู้นชมคนนี้ชมโอ้ยิ่งมีความสุขถ้าคนที่ติดสุขแบบนี้คนนั้นก็ยิ่งต้องมีเสื้อผ้ามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยแล้วก็แปลกๆทรงใหม่ๆอะไรต่ออะไรเนี่ยต่อไปเรื่อยๆเพราะเพราะว่าความสุขของเขาเขาคิดว่ามันขึ้นอยู่กับพวกเสื้อผ้าเหล่านี้แล้วเนี่ยเห็นไหม แล้วเขายิ่งติดอย่างนี้มากเท่าไหร่เขาก็ต้องยิ่งวุ่นวายยิ่งจะต้องมีปัญหากับไอ้เรื่องเสื้อผ้าเนี่ยจนกระทั่งมันมีปัญหาไปถึงบางทีจะซักก็ตามจะรีดก็ตามนะจะอะไรก็ตามโอ้ต่อไปเรื่อยเลยทุกทั้งนั้นแนหะจริงๆนะนะก็เป็นกระบวนเลยนะทุกเนี่ยมันสอดร้อยกันเป็นกระบวนแต่ถ้าเราไม่คิดเราก็ว่าไม่เป็นไร อย่างนั้นแหละเราแหมยิ่งยิ่งทําอย่างนั้นยิ่งทํำนี้โอ้ยเรายิ่งมีความสุข <c oughs> คือมันคิดกับตรปัะไม่ยอมรับความเป็นจริงถ้าใครเนี่ยเข้าใจความเป็นจริงนี้ได้นะแค่เรื่องเสื้อผ้าเราลดปัญหานี้ไปได้เลยจะคราวนี้จะเรื่องกินก็ตามเรื่องที่อยู่อาศัยก็ตามหรือแม้แต่เรื่องยารักษาโรค ก, ก็ตามอเอาเลยคราวนี้เอาเรื่องยารักษาโรคเลย ยารักษาโรคเนี่ยยิ่งถ้าใครรู้ใครเข้าใจเอาแล้วนะทุกแน่ถ้าเจ็บป่วยได้ไข้เรารู้ว่าเราทุกแน่ใช่ไหมแล้วเจ็บป่วยได้ไข้เราก็ต้องบางทีต้องไปหาหม อ, อหรือว่าก็ต้องเสียซื้อยาอะไรต่างๆถ้าจะคิดไปแล้วรู้สึกโอ้จำเป็นจริงๆเลยที่จะต้องซื้อเพราะว่าเราไม่มีความรู้ด้วยใช่ไหมเรื่องยุบเรื่องยาเพราะฉะ การติดสุขของเราก็คือว่าได้หาหมอที่เขาบอกว่าหมอยอดเยี่ยมหรือได้กินยาที่เขาบอกว่าโอ้โหยาเนี่ยวิเศษเลยใช่ไหมหรือว่าวิธีการรักษาแบบนี้ที่เขาโอ้โหกำลังดังเขากำลังนิยมกันถ้าเราได้ไปรักษาแบบนี้ยอดเยี่ยมถ้าใครเนี่ยเริ่มเริ่ม ม, มีจิตผูกไปอย่างนี้ผูกไปนี้คนนี้ก็ จะมีความสุขได้ต่อเมื่อได้สิ่งเหล่านี้เพราะว่าคุณผูกอย่างนี้ไว้เนี่ยเพราะฉนั้นคราวนี้ถ้าคุณเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาคุณต้องได้รับอย่างที่คุณผูกจิตเอาไว้แบบนี้เป็นอุปท า, านพวกนี้คุณถึงจะมีความสุขถ้าเกิดโอ้โหเจ็บป่วยเสร็จนะอาจจะบางทีไปเจอหมอคลินิกที่ดูแล้วโอ้โหคลินิกก็ไม่ค่อยจะใหญ่ตัวอะไรคลินิกเล็กๆ นะหรือดูหมอโอ้โหใส่เสื้อผ้าดูแล้วไม่รู้หราเลยนะเราไม่มั่นใจลนะเราไม่เชื่อใจลนะเพราะว่าเราเราอาศัยภายนอกเนี่ยว่าต้องขนาดนี้ขนาดนี้เราถึงจะเชื่อมั่นแล้วเราจะไว้ใจว่าหมอคนนี้คงจะเก่งและคงจะรักษาเราได้แต่แต่นี้พอไปเจ อ, องงี้เราโอโ้ไม่เอาอะ่ะเพราะว่าเราไปผูกไว้ลักษณะนั้นไปนแล้วเพราะฉะนั้นคราวนี้ เมื่อคนนั้นผูกไว้อย่างนี้ทุกครั้งที่เจ็บป่วยเขาก็ต้องไปหาโรงพยาบาลชั้นเยี่ยมใช่ไหมต้องกินยาแบบชั้นหนึ่งเพราะนั้นคราวนี้อะไรอะ่ะไอ้ทั้งหมดนี่เงินนั้งนั่นอะ่ะก็ต้อ ง, ต, องต้องไปกอบโกยไปหาทางได้เงินมาให้มากๆเพื่อที่จะมาดับทุกวิธีนี้ของเขาเนี่ยก็ต้องเห็นไหมย้อนไปอีกละย้อนกลับไปที่จะต้อง ก็ต้องไปสแสวงหาอะไรต่ออะไรวุ่นวายไปอีกเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะมาดับทุกข์ดีของตัวเองแต่ต่อข้ามกับของศาสนาพุทธเลยเพราะศาสนาพุทธเนี่ยเข้าใจว่าอันนั้นมันไม่ใช่สุขอย่างนั้นมันสุขจอมปลอมซึ่งถ้าเราเองเนี่ยถ้าเราเริ่มเรียนรู้เราเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะลดสิ่งพุ่งเฟอ้อสิ่งที่มันเกินความจําเป็นพวกนี้ลง จนมาทั้งมาเหลือความเป็นปัจจัยสี่ที่เราจะต้องใช้เนี่ยเหลือเหลือน้อยลงมาน้อยลงมาเท่าที่เราจะเก่ง